แต่ท่านผู้แสวงหามักค่าแห่งอมตะพระสุมณะกล่าวต่อไปข้าพเจ้าตัดสินใจอุปสมบทในเวลาเดินทางกลับนั่นเองและอีกสิบห้าวันต่อมาข้าพเจ้าก็ขออุปสมบท ต, ต่อสงฆ์ซึ่งมีพระนารถาเป็นอุปชัยยะในการอุปสมบทนั้นท่านนารถาไม่ยอมให้มีพิธีรีตองอะไรนกเหนือไปจากพิธีสงฆ์เลยคือเมื่อบวชก็มีแต่พิธีบวช ไม่ควรมีพิธีนอกพระพุทธศาสนาที่งมงายและทำให้หมดเปลืองมากโดยไม่จำเป็นอย่างที่ผู้บวดร้ายอื่นๆชอบทำกันซึ่งส่วนมากเป็นการทำบาปมาแลกบุญและในการนี้มักจะมีบาปท่วมบุญเสมอข้าพเจ้ากล่าวว่าถูกแล้วอาวุโสเราสมณะผู้เดินถือธงนำหน้าถ้าไม่คอยขัดขวางขัดขาน การกระทำอันเป็นไปเพื่อความงมงายของชาวบ้านแล้วเขาก็จะไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดมินนำซ้ำยังสนับสนุนให้ทำหรือทำให้ดูสิเองก็มีอยู่มากเมื่อเหตุการณ์เป็นไปในลักษณะนี้ทางที่จะทำลายความงมงายก็เป็นสิ่งที่หนักและดูเหมือนไม่สามารถจะเป็นไปได้อุปมาเหมือนหมอที่ฉีดเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของคนไข้สีเองแล้วทาทีเป็นหมอรักษา เพียงเพื่อขูดเอาค่ายาค่ารักษาจากคนป่วยผู้ไม่มีความรู้ทางนี้เท่านั้นเป็นการสลดหน้าสังเวชยิ่งนักอาวุโส ท, ท่านนาราทะทำหน้าปลื้มใจพระสุมณนะ กล่าวขึ้นว่าเมื่อข้าพเจ้าอุปสมบทแล้วเวลานั้นโควินเดินทางกลับไปตากศิลาเพื่อกิจวัระบางอย่างข้าพเจ้าตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอุปัถาอุปชายยอาจารย์อย่างดียิ่งตามในแห่งสธิวิหาริกที่จะพึงกระทำที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ข้าพเจ้าตั้งใจจริงในการเล่าเรียนท่องบนพระพุทธวจนะและตีความหมายให้เข้าใจในพระพุทธพจ น, น์นั้นๆ จนพระอุปัชฌาย์ชมเชยเสมอว่าขพเจ้าเข้าใจตีความธรรมะได้ดีเมื่อขพเจ้าศึกษาพระพุทธพจน์บางตอนที่ควรตั้งใจไว้ขพเจ้าก็ตั้งใจว่าจะทําอย่างนั้นอย่างนั้นและจะไม่ทําอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อขพเจ้าได้สดับศึกษาพระพุทธโอวาทที่พระองค์ทรงของร้องให้พิสุทั้งหลายเป็นธรรมทายาทของพระองค์ซึ่งมีใจความดังนี้ ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาทคือเป็นผู้รับมรดกธรรมของเราเถิดอย่าเป็นอามิสทายาทคือผู้รับมรดกอามิสของเราเลยเรามีความเป็นห่วงในเธอทั้งหลายว่าทำอย่างไรหนอสาวกของเราจะพึงเป็นธรรมทายาทไม่เป็นอามิสทายาทพวกเธอและเราก็จะพึงถูกเขาตราหน้าว่าสาวกทั้งหลายของพระาศาสดา เป็นผู้รับมรดกอามิสอยู่โดยปกติหาเป็นผู้รับมรดกธรรมไม่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเป็นธรรมทายาตรับมรดกธรรมของเราเถิดอย่าเป็นอามิสทายาทเลยดังนี้ข้าพเจ้าตั้งใจทันทีว่าข้าพเจ้าจะเป็นธรรมทายาตรับมรดกธรรมของพระผู้มีพระภาคจะไม่เป็นอามิสทายาท หรือเป็นผู้เห็นแก่อามิรเลยในการศึกษาข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะศึกษาให้เป็นนิสรณ ะ, ะปริยัติคือศึกษาเพื่อเอาเป็นเครื่องมือกำจัดความชั่วทางกายวาจาใจศึกษาเพื่อสลัดออกจากภพเพื่อดับความกระหายเพื่อละความยึดมั่นถือมั่นละความโอ้อวดมายาความต้องการเด่นเพราะมีปริยัติมากข้าพเจ้าไม่ให้เป็น อารกคัตถูปะมะปริยัตยิคือปริยตยิที่เปรียบเหมือนงูพิษข้อนี้คืออย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบรุษผู้มีความต้องการใคร่จะได้งูที่ยวส่อแสแหวงหางูอยู่ครั้นเห็นงูตัวใหญ่ก็เข้าจับที่ตัวหรือที่หางอสรพิษนั้นจะพึงฉกมือหรือแขนหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของบรุษนั้น เขาอาจจะได้รับความทุกข์ถึงตายหรือเจียนตายเพราะการโฉกของงูพิษนั้นเพราะเหตุใดเพราะเขาจับงูไม่ดีฉันใดภิกษุทั้งหลายโมคะบุรุษบางพวกก็ฉันนั้นเล่าเรียนปริยัติรมแล้วไม่สอสองไขครัวเนื้อความแห่งธรรมนั้นด้วยปัญญาทำทั้งหลายย่อมไม่ทนต่อการเพ่งพิสูจน์ของโมคะบุรุษนั้นเขาเรียนรรม เพียงเพื่อเป็นเครื่องมือในการอวดดีและโต้เถียงทะเลาะวิวาทกับลัทธินั้นลัทธินี้เขาย่อมไม่ได้รับคุณประโยชน์แห่งธรรมเขาเรียนธรรมไม่ดีเป็นไปเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เขาเหล่านั้นตลอดกาลนานข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะโมฆะบุรุษเหล่านั้นจับหาสารประโยชน์ของธรรมไว้ไม่ได้อีกประการหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรม อันเปรียบด้วยพ่วงแพรสำหรับข้ามฟัง่งเมื่อเป็นดังนี้ขพเจ้าจักไม่ดึงเอาแพรมาตีกันขพเจ้าจักอาศัยแพรนั้นข้ามฟังจริงๆริงขปเจ้ารู้สึกเศร้าใจเมื่อเห็นพุทธศาสนิกศึกษาเล่าเรียนแล้วโต้เถียงทะเลวิวาทกันแข่งดีกันดึงเอาแพรมาฟาดกันท่านผู้เจริญสิ่งใดเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านขพเจ้าพยายามงดเว้นสิ่งนั้น อีกข้อหนึ่งข้าพเจ้าตั้งใจว่าถึงอย่างไรอย่างไรข้าพเจ้าก็จะไม่แสดงอธรรมว่าเป็นธรรมจะไม่แสดงธรรมนอกกรีดนอกรอยแห่งพุทธศาสนาข้าพเจ้าจากแสดงสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนซึ่งพระพุทธองค์เคยทรงแสดงไว้การแสดงสิ่งที่ไม่ถูกต้องว่าถูกต้องแสดงสิ่งที่ถูกต้องว่าไม่ถูกต้องนั้นเป็นอันตรายเป็นภัยแก่พระศาสนามาก ถ้าไม่แน่ใจจริงๆแล้วก็นิ่งเสียข้าพเจ้าเคยสดับศึกษามาว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายไว้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายผู้ที่แสดงสิ่งที่ไม่เป็นธรรมว่าเป็นธรรมได้ชื่อว่าประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลกระทําไปโดยไม่เป็นการให้ความสุขแก่ชนเป็นอันมากโดยไม่เป็นประโยชน์แก่ใครแต่เป็นไปเพื่อความทุกข์หนัก แกมนุษย์ทั้งหลายทั้งตัวเองก็จะต้องประสบสิ่งที่เป็นบาปหนักห่างเหินจากบุญเป็นอันมากแล้วยังจะทําพระสัตยธรรมนี้ให้อันตรธานด้วยภิกษุทั้งหลายส่วนผู้ที่แสดงอะธรรมว่าเป็นอธรรมนั้นได้ชื่อว่าประพฤติประโยชน์เกื้อกูลทําให้เกิดประโยชน์แก่คนมากเพื่อความสุขแก่คนมากนอกจากนี้ ผู้ทำย่อมประสบบุญเป็นอันมากทั้งเป็นการดำรงพระศัทธรรมไว้ให้มั่นคงอีกด้วยภิกษุทั้งหลายบุคคลประเภทเดียวเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดมาเพื่อประโยชน์ เพื่อนำความสุขสวัสดิ์มาสู่ชนเป็นอันมากบุคคลนี้คือผู้ใดคือผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นไม่วิปริตเขาเป็นผู้ทาคนเป็นอันมากให้พ้นจากอาสัตธรรมแล้วให้ตั้งอยู่ในพระศัพท์ธรรมภิษุทั้งหลายบุคคลประเภทดังกล่าวนี้แหลย่อมเกิดมาเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนมากภิกษุทั้งหลาย แต่ถาคตมองไม่เห็นสิ่งใดแม้อย่างเดียวที่จะให้เกิดโทษมากมายเหมือนความเป็นผู้มีความเห็นผิดภิกษุทั้งหลายบรรดาสิ่งที่เรียกว่าโทษกันแล้วมิชชาทิธิเป็นโทษอย่างยิ่งทีเดียวพิกษุทั้งหลายสัตว์ที่มีปัญญาไม่โง่เง่าเงอะงะสามารถรู้ความหมายแห่งคำสุภาษิตและคาที่เป็นทุพภาษิตได้นั้นมีเป็นส่วนน้อย ส่วนสัตว์ที่โง่เง่าไม่สามารถรู้นั่นแหละมีมากสัตว์ที่ประกอบด้วยปัญญาอันประเสริฐมีน้อยที่ตกอยู่ในห่วงอวิชชามืดบอดหลงไหลมีมากภิกษุทั้งหลายเหมือนบุคคลเอาเครื่องดักปลาวางไว้ที่ปากทางน้ำเขาทําไม่ใช่เพื่อประโยชน์เกื้อกูลอันใดแต่เพื่อความทุกข์ความวอดวายแก่พวกปลาทั้งหลายฉันใดโมฆะบุรุษก็ฉันนั้น ได้วางเครื่องดักมนุษย์ไว้เขาเกิดมาในโลกไม่ใช่จะมาทําประโยชน์ให้แกใครแต่เพื่อมาทําความทุกข์ความวอดวายพินาศแก่ปวงสัตว์ทั้งหลายเป็นอันมากภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ทําการชักชวนคนให้เดินทางไปสู่ความเชื่อผิดๆก็ตามแนะให้คนอื่นชักชวนก็ตามบุคคลอันเขาชักชวนแล้วลงมือทําอย่างนั้นก็ตาม ย่อมประสบกรรมอันเป็นบาปเป็นอันมากเพราะเหตุไรเพราะสิ่งนั้นเป็นของที่เขากล่าวไว้ไม่ดีไม่ถูกพิสุจ์ทั้งหลายเปรียบเหมือนเมล็ ด, สดเสดาเมล็ดบวบข ม, มเมล็ดน้ำเต้าขมที่เขาเอาลงเพาะในดินที่ชุ่มเย็นรถดินรถน้ำที่มเมล็ดพืชนั้นดูดเอาไว้ทั้งหมดย่อมเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดรถขมรถเฟื่อนไม่เป็นที่น่าพอใจเลย ข้อนี้เป็นเพราะเมล็ดเชื้อมันเลวอย่างนี้เองนี้ฉันใดบุคคลผู้มีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฐิก้อฉันนั้นการกระทำทางกายวาจาหรือใจของเขาล้วนแต่เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดผลเป็นความคืนขมไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่ใช่ทางที่จะให้เกิดประโยชน์มีแต่จะเพิ่มพูนทุกข์ให้มากขึ้นข้อนี้เพราะเหตุใด พิสูจทั้งหลายเพราะต้นเหตุคือมิจฉาทิฐิมันเลวอย่างนั้นเองอีกข้อหนึ่งข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะไม่ทะเลาะกับใครไม่ขึ้นปากขึ้นเสียงกับใครโดยเฉพาะเมื่อข้าพเจ้าเป็นพระจะไม่ยอมต่อปากต่อคําพูดจาเสียงดังโต้เถียงกับคฤือหัดเลยเพราะนั่นเป็นการไม่สมควรไม่เหมาะเป็นการลดเกียรติตนเองนั่นข้าพเจ้ากล่าวไว้แต่ต้นแล้วท่านผู้เจริญ เกี่ยวกับเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคเคยสอนเคยตรัสไว้แรงๆดังนี้คนไพร่ไพร่ทั้งนั้นส่งเสียงกันเอตโรแต่หามีคนไหนรู้ตัวว่าตัวเองเป็นผ่านไม่พวกบัณฑิตลืมตัวสมัครจะพูดตามทางที่ตนปรารถนาจะพูดอย่างไรก็พูดพราามไปอย่างนั้นหาได้นำพาถึงกิเลส ท, ที่เป็นเหตุแห่งการทะเลาะ ก, กันไหม ความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันยังมีได้แม้ในพวกคนกลักกลับที่ปล้นเมืองหักแท่งขาชาวบ้านฆ่าฟันผู้คนแล้วต้อนเอาม้าโคและขนเอาทรัพย์ไปแล้วทาไมความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะมีแก่พวกเธอบ้างไม่ได้ ข้าแต่แท่านผู้สืบ อ, อริยวงด้วยประการชนนี้แหลข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะไม่เป็นคนไพร่ไพรจะไม่ทําตัวให้เป็นคนเลวกว่าพวกมหาโจรที่หักแท่งหักขาคนอีกข้อหนึ่งข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะเป็นผู้มีความอดทนมีความสุภาพซึ่งรวมเรียบเป็นขันติและโสรัจธรรมจะอดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดจากความเจ็บป่วย อดทนต่อหนาวร้อนหิวกระหายเลือดยุงอดทนต่อคำด่าว่าเสียสีคำนินทาอดทนต่ออารมณ์ทั้งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาทั้งนี้เพื่อความงามในธรรมวินยัยตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายจะเป็นความงามหาน้อยไหมถ้าพวกเธอผู้บวชในธรรมวินัยที่เรากล่าวไว้ดีแล้วนี้ จะพึงเป็นผู้มีความอดทนมีความสุขภาพท่านผู้เจริญด้วยประการดังกล่าวมานี้ท่านจะเห็นว่าเพราะเหตุไรข้าพเจ้าจึงไม่โกรธอุบาสกไม่ด่าวา่าโตเถียงตอบเมื่ออุบาสกผู้นั้นด่าว่าข้าพเจ้าต่างๆนานาเพราะเหตุข้าพเจ้าไม่รับอาราธนาไปในงานอาวาหะวิวาหะมงคลแห่งบุตรีของเขาข้าพเจ้าพร้อมแล้วที่จะให้ทุกคนด่าวา่า วิภาควิจารณ์ในการกระทําของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออย่างเดียวคือให้ข้าพเจ้ามีเสรีภาพทั้งจิตใจในกรอบแห่งธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคข้าพเจ้าบวชอุทิศองค์พระบรมศาสดาวิชัยบวชเพื่อทำอะไรตามใจชอบของชาวบ้านการจะไปที่ไหนไม่ไปที่ไหนนั้นย่อมขึ้นอยู่กับเสรีภาพของข้าพเจ้าที่จะพึงตัดสินเองอีกประการหนึ่งล่า ข้าพเจ้ามีอาสวะยังไม่ไปปราศยังเป็นเศษขะมีกิจที่จะต้องทำเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อได้คุณธรรมที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าจึงปราถนาความสงบสงัดยิ่งกว่าสิ่งใดๆดทั้งหมดไม่ต้องการคลุกคลีด้วยมู่ไม่ต้องการมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักของใคร ท่านผู้เจเริญเรื่องของข้าพเจ้ามีประโยชน์บ้างไร้ประโยชน์บ้างเท่าที่เล่ามาทั้งหมดนี้หวังว่าคงมีประโยชน์กับท่านผู้เจเริญบ้างไม่มากก็น้อยถ้ามีอะไรผิดพลาดไปหรือพูดอะไรไม่สมควรข้าพเจ้าหวังในความการุณาให้อภัยของท่านด้วยพระสุมณะกล่าวในที่สุดสาธุสาธุท่านสุมณะ ข้าพเจ้าขออนุโมทนาต่อมโนปณิธานของท่านเป็นอย่างยิ่งข้าพเจ้าไม่ประหลาดใจเลยที่พระสังคเทระได้ชมเชยท่านในถ้ำกลางสง์วันนี้ว่าท่านสุมณะเป็นบัณฑิตเป็นผู้อันเพื่อนพรหมจารีพึงคบหาสมาคมราดาข้าพเจ้ามาคุ้นสมาคมกับท่านเพียงชั่วระยะเวลาเล็กน้อยยังรู้สึกว่าเป็นบุญของข้าพเจ้า ที่มีโอกาสได้คุ้นเคยกับท่านผู้น่ายกย่องบูชาท่านเป็นกาลยานมิตรในทางธรรมข้าพเจ้าขอให้ท่านรักษาโมโนปนิธานของท่านไว้ให้มั่นคงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านและพระาศาสนาหาน้อยไมข้าแต่ท่านสารชาติพระสมณะกลา่าวเมื่อได้อยู่ในสำนักแห่งพระอุปัชฌายอาจารย์ครบห้าพรรษาแล้วเป็นนิสัยมุตตะ ผู้พอปกครองตัวเองได้แล้วข้าพเจ้าก็ลาอุปชายอาจารย์ออกจากวัดเวลุวันเที่ยวจาริกไปในที่ต่างๆตามความปรารถนาเพื่อแสวงหาวิเวกและเป็นเวลาสาปีข้านี้แล้วที่ข้าพเจ้ามาพักอาศัยในวัดที่อยู่ปลายแดนแห่งนี้เห็นเป็นสถานที่ที่น่ารื่นรมสงัดเงียบน่าอยู่สำหรับตรึกตรองธรรมและหาความสุขอันเกิดแต่ความสงบ ขปเจ้าสนทนากับท่านสุมาณะในเรื่องอื่นๆอีกเล็กน้อยแล้วลากลับสู่ที่พักของตนคืนนั้นขปเจ้านอนคิดถึงชีวิตต่างๆและทายด้วยชีวิตของท่านสุมนณะซึ่งเป็นชีวิตที่น่าศึกษาน่ารู้เหลือเกินคิดๆไปคล้ายเรื่องละครแต่ก็เป็นเรื่องจริงๆเวลานั้นดึกมากแล้วพระจันทร์โคจรไปอยู่ทางขอบฟ้าด้านตะวันตก เสียงไก่ขันเป็นครั้งแรกในราตรีดังเจื้อยแจ้วปลิวมาตามสายลมเป็นระยะระยะเป็นเวลาที่มวลชนกำลังก้าวลงสู่นิทราลมอันสนิทใครหนอเป็นผู้ตื่นอยู่ในราตรีเช่นนี้ หุโสธรรมชาติท่านได้ฟังเรื่องราวของพระสุมาณะสหธมิกผู้น่าเคารพรื่มใสของเราแล้วมีความรู้สึกเป็นประการใดพระสารชาติกล่าวในที่สุดพร้อมกับหยิบภาชนะน้ำที่วางอยู่ใกล้ๆมาดื่มแก้ความกระหายท่านสารชาติผู้เจริญข้าพเจ้ารู้สึกว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเป็นสิ่งที่ยากที่จะกาหนดได้ บางทีก็เป็นไปตามที่คิดหวังไว้แต่บางทีก็เป็นไปในทํานองที่ไม่เคยคิดไว้เลยชีวิตเป็นสิ่งที่เข้าใจยากรู้ยากทางปลอดภัยที่สุดของผู้เดินบนเส้นทางชีวิตก็คือยึดความไม่ประมาทเป็นหลักไว้พระบรมศาสดามีพระพุทธโอวาทเป็นครั้งสุดท้ายให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะเป็นธรรมที่รวมเอาธรรมทั้งปวงไว้ เหมือนรอยเท้าช้างเป็นที่รวมลงแห่งรอยเท้าของปานกชาติทั้งหลายเป็นรอยใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งปวงและด้วยอาศัยความไม่ประมาทนี่แหลบุคคลสามารถนำนาวากชีวิตของตนไปสู่ฝั่งอันปลอดภัยพร้อมด้วยสินค้าอันเป็นประโยชน์กล่าวคือความดีประดับชีวิตไม่ปล่อยให้นาวาชีวิตต้องล่มจมลงใน่ามกลางมหานที ซึ่งจะต้องเป็นเหยื่อของสัตว์ร้ายมีปลาเป็นต้นอันหมายถึงความล้มเหลวล้มละลายแห่งชีวิตเพราะความชั่วร้ายต่างๆถ้าถือว่าเส้นทางชีวิตมิได้สิ้นสุดลงเพียงชาตินี้แต่ยังจะต้องมีต่อไปอีกยืดยาวตามสัด ส, ส่วนแห่งกิเลสที่บุคคลมีแล้วล่ะก็ความดีเป็นสิ่งที่ควรทํายิ่งนักความชั่วไม่ควรทําเลย เพราะความดีให้ผลเป็นความสุขความปลื้มใจความชั่วให้ผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนบารมีธรรมเป็นเหมือนสเสบียงช่วยเลี้ยงตนในระหว่างทางอันยืดยาวคือวัฏฏสงสารอันยากที่จะหาเบื้องต้นที่สุดเป็นสิ่งที่ควรสั่งสมยิ่งนักแม้บุคคลผู้ไม่เชื่อในการเบียนไหวาตายเกิดก็ไม่ควรนิ่งนอนใจสมมุติว่า คนเราเกิดกันมาเพียงคนละครั้งเดียวแล้วสูญหายกันไปความดีก็ยังเป็นสิ่งที่น่าทำน่าประพฤติอยู่นั่นเองเพราะความดีเป็นความสะอาดความชั่วเป็นความสกปรกบุคคลผู้รักความสะอาดย่อมทำความสะอาดให้แก่ตนไม่ว่าจะมีใครเห็นหรือไม่ไม่ว่าใครจะให้รางวัลหรือไม่ความสบายปลอดโปร่งที่เกิดจากความสะอาด เป็นรางวัลอันประเสริฐอยู่แล้ว ผู้ที่พูดว่าถ้านรกสวรรค์ไม่มีชาติหน้าไม่มีแล้วก็จะพยายามทำความดีกันไปทำไมเพราะทำแล้วก็สูญหายหมดตายแล้วนิพพานเหมือนกันพยายามทำความสบายให้แก่ตนโดยการปล่อยกายปล่อยใจให้เต็มที่คลุกเคล้ากับความชั่วความเพลิดเพลินตามปรารถนาเพราะตายแล้วก็แล้วกันไปจะมาอดทนทำความดีอยู่ทำไมให้เหนื่อยยาก นั้นเป็นการพิสูจน์อย่างชัดเจนทีเดียวว่าใจเขายังเข้าไม่ถึงธรรมเลยแม้แต่น้อยเข้าไม่ถึงแม้ธรรมชั้นต่ำๆขั้นทาดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วการปฏิบัติธรรมการศึกษาธรรมของเขาเป็นสิ่งไร้ค่าไร้ผลไม่มีอานิสงส์แห่งการศึกษาธรรมเลยเขาไม่ทาความชั่วเพราะกลัวนรก ทำความดีเพียงเพื่อได้รับรางวัลเป็นความสุขอันคระเคราไปด้วยความเห็นแก่ตัวเพียงเพื่อลาบยศเสียงสรรเสริญสการะจากคนอื่นเท่านั้นเขายัางเข้าไม่ถึงธรรมเพียงขั้นต่ำๆคือทำความดีเพราะรักความดีเลยพราดาคนหนึ่งไม่ทำความชั่วเพราะกลัวคุกตารางเขาพูดว่าถ้าไม่มีคุกตารางแล้ว เขาจะฆ่าคนที่ควรฆ่าจะขโมยสิ่งของที่พอจะเอาได้จะพูดเท็จ ด, ดื่มสุรายามเมาให้สบายใจแต่ที่เขาไม่ทำอย่างนั้นเพราะกลัวคุกตารางและการถูกทำโทษถ้าไม่มีคุกตารางและการทำโทษแล้วใจเขาก็มุ่งมั่นแต่จะทำความชั่วคอยแสจะทำความชั่วอยู่เสมอส่วนอีกคนหนึ่งไม่ทำชั่วเพราะรังเกียจความชั่วทาดี เพราะรักความดีไม่เคยคำนึงว่าจะมีคุกตารางสวรรค์นรกหรือไม่เปรยียบเหมือนชายหนุ่มหญิงสาวผู้ประดับตกแต่งแล้วด้วยเสื้อผ้าอันสวยงามและไม่ปรารถนาจะแตะต้องสิ่งสกปรกในบุคคลสองคนนี้ท่านเห็นว่าผู้ใดเข้าถึงความดีมากน้อยกว่ากันอย่างไรอาวุโสแน่นอนคนประเภทแรกใจยังไม่เห็นคุณค่าของความดีเลย แม้จะดีกว่าคนทำชั่วโดยไม่กลัวอะไรก็ตามส่วนคนประเภทหลังเป็นผู้เห็นคุณค่าของความดีแล้วเขาทำความดีเพื่อความดีเพราะรักความดีพระสารชาติตอบพระธรรมชาติกล่าวว่าความชั่วเป็นธรรมชาติที่สกปรกไม่สะอาดผู้คลุกคลีกับความชั่วจึงเป็นผู้สกปรกไม่สะอาด ความดีเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์สะอาดผู้คลุกคลีกับความดีจึงเป็นบุคคลที่สะอาดท่านผู้เจริญไม่ว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิ ก, กาเมื่อทำความชั่วย่อมเศร้าหมองเหมือนกันหมดเมื่อทำความดีย่อมพองแผ่เหมือนกันหมดไม่เลือกชาติชั้นตระกูลทุกคนควรปลูกฝังคือทั้งปลูกทั้งฝังทีเดียวให้มีอัธยาศัยสะอาดรักความดี เหมือนรักชีวิตของตนเมื่อคนประพฤติความดีประพฤติธรรมธรรมก็คุ้มครองคนเมื่อคนละเมิดธรรมเยียบย่ำธรรมธรรมก็ไม่คุ้มครองคนความเดือดร้อนที่เกิดจากการเยียบย่ำธรรมละเมิดธรรมนั้นเป็นผลสะท้อนที่มนุษย์ได้รับอยู่อย่างน่าเห็นใจเป็นที่สุดแต่เขาไม่ทราบหรือเฉลียวใจถึงต้นเหตุอันนี้เลยมัวมาแก้กันที่ปลายเหตุ จึงแก่ไม่ตกไม่หลุดยิ่งแก่ยิ่งยุ่งรุงรังมากขึ้นทุกทีความดีหรือธรรมเท่านั้นจะช่วยแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างขอให้พระสัตวรรมจงดำรงอยู่ตลอดกาลนานเป็นประทีปส่องทางชีวิต ขอให้สัตว์ทั้งหลายได้ดื่มมทุรสจากมาลีคือพระสัตยธรรมขอให้ดอกบัวคือสัตว์ทั้งหลายจงแยกกลีบคือดวงใจออกรับแสงพระอาทิตคือพระสัต์ธรรมข้าพเจ้าทั้งสองขอนมสการด้วยเสียงกล้าวซึ่งพระจอมุนีผู้ทรงพระภาคพระองค์นั้น